การพิจารณาเกี่ยวกับนิพพานที่เป็นภาวะดึกซึนน้งนี้ถ้าพูดไปตามแนวหลักธรรมหรือหลักวิชาที่แสดงภาวะเพียงอย่างเดียวนอกจากเป็นเรื่องหนักแล้วยังเป็นการเสี่ยงต่อการวาดภาพที่ผิดพลาดได้ด้วยทั้งนี้เพราะผู้เสนอคำอธิบายไม่อาจแปลคำศัพท์สำคัญบางคำให้ได้ความหมายจะแจ้งรอบด้านและฝ่ายผู้พิจารณาก็อาจมีสัญญาเก่า เกี่ยวกับคำศัพ์หรือข้อธรรมเหล่านั้นที่ไม่สู้ตรงความหมายที่แท้จริงนักนอกจากนั้นยังนำเอาความรู้สึกของปุถุชนเข้ามาเทียบอีกด้วยเช่นเมื่ออ่านข้อความแสดงภาวะตามหลักวิชาข้างต้นนี้แล้วอาจมองพระอรหันต์เป็นบุคคลที่เสมือนปราศจากชีวิตจิตใจเย็นชาไร้ความรู้สึกไม่ใยดีอะไรกับโลกเป็นต้นดังนั้น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอย่างนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาของภาวะตามหลักวิชาก็ควรพิจารณาผลที่ปรากฏในชีวิตจริงเทียบกันไปด้วยให้เห็นว่าเนื้อหาตามหลักวิชากับผลปฏิบัติในชีวิตจริงสอดคล้องกันได้อย่างไรแม้ส่วนที่รู้สึกเหมือนขัดกันก็กลมกลืนกันได้อย่างไรเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมกันได้อย่างไรเป็นการพิจารณาเนื้อหา และความหมายของหลักวิชาด้วยการมองที่ตัวของจริงซึ่งนามาตั้งให้ดูของจริงหรือผลในทางปฏิบัตินี้นอกจากที่กล่าวไว้ในตอนที่ว่าด้วยภาวะแห่งภาวิตะทั้งสีที่ได้กล่าวในตอนก่อนแล้วพึงเทียบเคียงกับตัวอย่างต่อไปนี้โดยเฉพาะอีกด้วยคือผลที่ปรากฏในชีวิต จ, จริงหรือผลในทางปฏิบัติของผู้บรรลุนิพพานก็ก่อ ลักษณะภายนอกและชีวิตหมู่ในธรรมเจติยสูตรพระเจ้าประสเนธิโกศลได้ตรัสข้อความพนานาความเลื่อมใสของพระองค์ต่อพระรัตนไตรยัยถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าเป็นธรรมเจดีมีประโยชน์เป็นหลักเบื้องต้นแห่งพรหมจันร์และทรงแนะนำให้พระสงฆ์ศึกษาทรงจาไว้ในข้อความเหล่านั้น มีข้อหนึ่งพันน า, นาลักษณะความเป็นอยู่ของพระพิสุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกหมอมชันเดินเที่ยวไปตามอารามต่างๆตามอุทยานต่างๆอยู่เนืองๆหน้นาที่นั้นๆหมอมชันได้เห็นเหล่าสมณพราหมณ์ที่สูผ้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันุ์ไม่ผ่องใสผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นดูไม่ชวนตาให้อยากมองมมอมฉันได้เกิดความคิดว่าพระกุญเจ้าเหล่านี้คงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือไม่ก็คงมีบาปกรรมอะไรที่ทำแล้วปกปิดไว้แต่มมอมฉันได้เห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวิ น, นัยนี้สดชื่นร่าเริงมีใจเบิกบานมีรูปร่างท่าทางน่ายินดีมีอินทรีย์เ อ, อิบอิม่ม ไม่วุ่นวายมีขนตกราบคือมีใจสงบผ่อนคลายมีความมั่นใจไม่ตื่นกลัวเลี้ยงชีวิตตามแต่เขาจะให้มีใจดังมรึกอยู่คือมีใจอ่อนโยนไม่คิดรบกวนหรือหวังประโยชน์จากใครรักอิสระจะไปไหนก็ไปโดยเสรีหมอมฉันได้มีความคิดว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิม ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแน่แม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้หมอมฉันมีความคํานึงทราบซึ้งธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในเรื่องราชกะัตเศรษฐีถวายวิหารเสนาสนะขันธกะพระมินัยปิฎก ดุลวับรรยายภาพเมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่าครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้นๆคือปา่าโคลนไม้ภูเขาแต่เช้าตรู่มีกิริยาเดินไปข้างหน้าถอยกลับแลเหลียวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสมีจักรสุทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ในมหาปรินิพานสูตรที่กนิกายมหาวัชมีพุทธพจน์ที่แสดงถึงลักษณะของหมู่สงฆ์ในขณะนั้นได้ความในพระสูตรเล่าถึงวสการพรามเข้าไปเฝ้าและกราบทูลเรื่องที่พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการจะตีแคว้นวัชีไว้ในอำนาจพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอนน์ทีละข้อถึงธำเจ็ประการที่ชาววัชีประพฤติกันอันจะหวังความจเจริญได้โดยส่วนเดียวไม่มีเสื่อม เมื่อวัศการพรามทูลลากลับไปจึงตรัสให้เรียกประชุมภิกษุที่อยู่ในกรุงราชฤท์ทั้งหมดแล้วทรงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของภิกษุเจ็อย่างและตรัสวา่าตราบใดภิกษุทั้งหลายจักยังพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันขมีขมันแก้ไขสิ่งเสียหายพร้อมเพรียงกันทากิจที่สงึงธรรมตราบนั้น พิสษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญถ่ายเดียวไม่มีเสื่อมเลย